Mm hmm. เทียนยังไม่ได้ไปบุกเบิ ก, บกวัดสนามในท่านได้รับนิ ม, มนต์ให้มาสอนพระที่จำปรรษาที่วัดชนระทานปี18หลวงพ่อกำเเงขียนก็ได้ไปด้วยตอนนั้นท่านก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่อาจารย์โควิดได้เล่าให้ฟัง ในช่วงนั้นก็มีการอภิปรายระหว่างศาสนาพุทธคริสต์อิสลามทางฝ่ายอิสลามก็มีตัวแทนคือฮัดยีประยู์วัฒนยกกุลฮัดยีประยูนนี่คนที่คุณเคยยกับสวนมองก็จะรู้จักดีเพราะว่าท่านเป็นกรยนานมิ ก, กับท่านจาวุทิธาตก็มีตอนหนึ่งฮัดยีประยู์ได้พูดว่าเมื่อใดก็ตามที่พระอรหันต์อยู่ ประยูนยก็ไม่อยู่เมือ่อใดที่ประยูนยอยู่ผ่าเลาะก็ไม่อยู่พูดอย่างนี้หลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่พอพูดจบหลวงพ่อเทียนยก็ตรงเข้าไปจับมือจับไ ม, ม้ข จ, จิประยูนว่าเนี่ยพูดถูกต้องแล้วพูดถูกต้องแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยขจิประยูนยต้องการจะพูดว่าเมือ่อใดที่เข้าถึง พระอเลเมื่อนั้นก็ไม่มีความยิดมันสาคัญหมายว่าเป็นประยูนแต่เมื่อใดก็ตามที่ใจนี้ไม่เข้าถึงพระอเลนี้ก็ไอความถือตัวว่าเป็นประยูนนี้ก็มีอยู่ถ้าพูดแบบพุทธก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่พุท ธ, ธะหรือพุโทโธอยู่นะตัวฉันก็ไม่อยู่หรือไม่มีเมื่อใดที่ตัวฉันมีนะพุท ธ, ธะนะ ก็หายไปเดี๋ยวพูดให้เข้าใจชัดกว่านี้คือว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความรู้สึกตัวอยู่ให้ความเป็นตัวฉันหรือตัวกูมันก็ไม่มีเมื่อใดก็ตามที่มีตัวกูอยู่ให้ความรู้สึกตัวมันก็หายไปหรือเมื่อความรู้สึกตัวหายไปไอตัวกูมันก็ปรากฏมันเป็นปฏิปักษ์กันนะระหว่างความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ย หรือสัมปชัญญะเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างความรู้สึกตัวกับตัวกูมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูมหรือตัวฉันมันก็หายไปมันหายไปได้ยังไงมันหายไปได้เพราะมันไม่มีอยู่จริงแต่มันเกิดขึ้นจากความหลงความรู้สึกตัวนี่มันตรงข้ามกับความหลงเมื่อมีความรู้สึกตัว ความหลงมันมีไม่ได้เมื่อความหลงมีไม่ได้นะความเป็นตัวกูนี่มันก็ไม่มีทุกวันนี้เนี่ยที่เราที่เราไปยึดมันสำคัญหมายว่าตัวกูตัวกูเนี่ยเอาความชอบความชังเป็นใหญ่อันนี้มันเป็นเพราะว่าความรู้สึกตัวมันไม่มีหรือขาดสติสิ่งที่เรียกว่าตัวกูจริงๆเนี่ยมันไม่มีนะเวลาเราพูดว่า ลดละตัวตนหรือว่ามีตัวกูขึ้นมาเนี่ยที่จึงมาเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือจะพูดอย่างนี้คือมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตตัวตนไ ม, ไม่ไม่มีตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องไปพยายามทำให้ตัวตนไม่มีไม่ต้องพยายามที่จะไปลดละตัวตนมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วแต่เพราะหลงนี่แหละมันก็เลย ไปปรุงขึ้นมาเป็นตัวตนแล้วก็ไปยึดติดในสิ่งที่ปรุงไอ้ค ว, ว่ายึดติดเนี่ยมันก็จะมีคำหนึ่งเรียกวอัตวาทุ ป, ปาทานก็คือยึดติดในความคิดว่ามีตัวตนนะไม่ใช่ยึดติดตัวตนนะยึดติดตัวตนจริงมันไม่มีเพราะมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วตัวตนเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปยึดติดอะไรแต่มันมีความคิดหรือความ ปรุงแต่งว่ามีตัวตนแล้วก็ไปยุดติความปรุงแต่งหรือภาพตัวตนนั้นเราก็เรียกว่าอัตวาทุปาทานดันั้นการปฏิบัติเนี่ยที่เราเจริญสติกันเนี่ยนะมันก็คือการพยายามที่จะทําให้ความยึดติดถือมั่นที่ปรุงแต่งว่ามีตัวตนนี่มันหายไปไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่สลายตัวตนหรือความยึดติดตัวตนได้เท่ากับสติหรือว่าความรู้สึกตัว อย่างที่พระเจ้าได้ตรัสสอนอาหิยะนะซึ่งพอพอตัดสอนเสร็จก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีทั้ทงๆ ท, ที่ยังไม่ทันได้บวชเลยท่านบอกว่าเนี่ยเมือ่อใดที่เห็นศักตะวะ่เห็นได้ยินศักตะ์วะได้ยินได้กลิ่นศักทะ์วะได้กลิ่นะะได้ริมล๊อศักทะ์วะ่ได้ริมล๊รู้สึกสัมผัสที่กายก็ศักตะ์วะรู้สึกหรือว่ารู้ธรรมอารมณ์ก็ศัพต์ว่ารู้ธรรมอารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มี เมื่อตัวเธอไม่มีก็จะไม่ปรากฏทั้งในโลกนี้โลกหน้าไม่มีในโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์คือตรงนี้แล้วคือว่ามันทําให้ไอความเป็นตัวฉันเนี่ยมันหมดไปหรือความปรุงแต่งว่าตัวฉันนี้หมดไปแล้วมีสตินะทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมีสติตั้งแต่ในขั้นผัสสะเมื่อตากระทบโลกหูได้ยินเสียง ตรงนี้แหละนะก็จะทําให้ความเป็นตัวเธอหรือว่าตัวฉันตัวกูเนี่ยมันมันไม่มีอันนี้เราก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้ก็ลองสังเกตดตูเวลาเราเดินจงกรมสร้างจอเวลาเรามีสติขึ้นมาเวลาความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีตัวฉันขึ้นมาเป็นประธานมันมีแต่ความรู้สึกตัวแต่พอเผลอเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไปเกิดความรู้สึกชอบหรือชังขึ้นมา ไอ้ความชอบรู้ชังเนี่ยมันต้องมีประธานก็คือตัวกูเนี่ยกูชอบกูชังเล็นเสร็จแต่ว่าเห็นความชอบความชังซะมันก็ไม่มีนะไอ้ตัวกูมันก็หายไปก็เห็นก็เห็นแต่อาการที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกเช่นความโกรธความเกลียดความชอบความรักความปรารถนาไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีจิติตเมื่อไหล่มันก็ไปยึดว่า มีตัวกูผู้ชอบผู้เกลียดผู้โกรธผู้ปรารถนาแต่ว่าพอมีสติเข้าไปเห็นนะมันก็เหลือแต่ไอความชอบความเกลียดความโกรธความปรารถนาเท่านั้นแหละแต่มันไม่มีตัวผู้ชอบหรือตัวกูผู้ชอบนะผู้เกลียดผู้โกรธผู้ปรารถนาเวลาเราเดินเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยมันไม่มีตัวกูเป็นผู้เดินนะมันมีแต่อาการเดิน แล้วก็ที่เดินนัก็เป็นรูปไม่ใช่เราแต่พอเผลอเมื่อไหร่หรือไปปฏิบัติผิดเช่นไปบริกรรมไปคิดเอาว่าฉันเดินฉันเดินฉันเดินหรือว่าสร้างจังหวะก็ไปคิดเอาว่าฉันสร้างจังหวะมันมีตัวฉันขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ถูกแล้วเมื่อไปคิดแบบนั้นไปย้ำกับตัวเองแบบนั้นในความรู้สึกตัวก็หายไปหรือว่าเวลาเพ่งก็กเหมือนกันเวลาเพ่งเนี่ย มันก็จะมีความอยากอยู่เบื้องหลังการเพ่งความอยากจะได้มีได้เป็ น, นได้สติอยากจะได้ความสงบแล้วในเบื้องหลังความอยากมันก็มีเจ้าของความอยากคือตัวกูนั่นแหละที่ปรุงขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะทำให้เป็นอิสระจากตัวตนหรือความยึดติดในตัวตนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น ความสึกตัวนี่มันก็เกิดขึ้นได้กับจากการที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ไม่รู้สึกตัวนะคราวนี้อะไรที่ทำให้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ใจมันไปไปเกาะอ ย, ยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเห็นภาพได้ยินเสียงใจก็ไปเกาะ อ, อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เรียกว่าใจมันส่งออกนอกมันก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วหรือว่าใจเข้าไปในความคิดเข้าไปในความคิดนะมันก็ลืมกายลืมใจได้ ก็เรียกว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวได้เหมือนกันใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ไม่ลืมกายไม่ลืมใจแต่มันก็จะมี2อย่างที่ทําให้เราไม่สามารถใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้คือติดมันไปเพ่งออกนอกหรือไปอยู่กับอดีตกับอนาคตพอใจไปอยู่กับอดีตกับอนาคตก็เนี่ยมันก็ลืมปัจจุบันไปมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวหรือมันเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์มันก็ลืมกายลืมใจลืมกายลืมใจแล้วความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้ มันเป็นเรื่องเดียวกันในะความรู้สึกตัวแล้วก็การเระเลือกรู้ในกายและใจหรือการอยู่กับปัจจุบันเราใช้คําต่างกันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะรู้สึกตัวอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันนะหรือว่าเราเลือกรู้ในกายและใจตามเห็นกายและใจอยู่อย่างต่อเนื่องนะที่เขาเรียกว่า กายอนุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานี่มันพูดง่ายๆสรุปรวมๆคือว่ารู้กายรู้ใจนะไม่ว่ากายทําอะไรอีเรียบทไหนคู่เหยื้อเคลื่อนไหวกล้าไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังยืนเดินนั่งนอนนะอันนี้ก็ก็รู้แต่ถ้ามันเข้าไปในความคิดมา่อไหรนะมันก็ไม่รู้นะมันทําไปโดยโดยไม่รู้ตัว พอคันปุ่มก็เก่าเลยโดยตโนมัธเป็นปฏิกิริยาโดยที่ ใ, ใจไม่ได้ไปรับรู้ด้วยเกาวเสร็จถึงค่อยรู้หรือเกาวเสร็จบางทีก็ไม่รู้นะมารู้ทีหลังก็ยังดีนะเพราะว่าอันนั้นแหละก็คือว่ามันเป็นวิธีการที่ฝึกให้ความระลึกรู้ในกายมันเกิดขึ้นได้ไวขึ้นไวขึ้นการปฏิบัติที่แนะนํากันที่นี่นะก็คือการให้เรามีความรู้สึกตัว อยู่กับการเคลื่อนไหวการสร้างจังหวะ 14, จังหวะนี่มันก็เป็นแค่รูปแบบนะอย่าไปยึดติดว่ามันต้อง14จะแค่พลิกมือไปมาก็ได้จะกระดิกนิ้วก็ได้แล้วก็อย่าทำแค่นี้นะเวลาเดินจากศาลาไปกุฏิที่พักเวลาถูฟันเวลาอาบน้ำเวลาล้างจานเวลาล้างเท้าเวลาถูบ้านซักผ้า พวกนี้มันเป็นอเรียบทที่สามารถสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นได้หมายความว่าเราทําแล้วก็ตามก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นอยู่นี่อยู่แบบอยู่แบบไม่ใช่ไปเพ่งนะแค่รู้นะแค่รู้สึกถ้าไปซักผ้าแล้วไปเพ่งนี่มันก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นการไปบังคับจิตมันไม่ใช่แค่เอาใจใส่ลงไปเอาใจใส่ลงไปนี่ก็คือว่าไปเอาใจไปรู้การเคลื่อนไหวของกาย โดยที่ไม่ต้องไปคิดว่าฉันกําลังทํานั่นทนํานี่เอาใจไปรู้แต่ไม่ใช่ใจไปเพ่งไปเพ่งนั่นมันก็ไม่ใช่แล้วความรู้สึกตัวก็หายไปเพราะมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกการรู้เฉพาะจุดเฉพาะจุดมันไม่ใช่เป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมมันไม่ใช่ความรู้รอบสติแล้วก็สัมปชัญญะคือทําให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นรู้ตัวทั่วพร้อมรู้แม้กระทั่งว่าเอออะไรเกิดขึ้นกับรอบตัวแต่ว่าก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้ไป ไปเพ่งไปเกาะหรือปรุงแต่งพอเราไม่มีสติพอเราไม่มีความรู้สึกตัวมันก็พูดโดยที่แยกไม่ออกระหว่างความจริงกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจไอ้ความไม่รู้ตัวหรือความหลงเนี่ยมันมันทําให้เรามั่วทําให้เราแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับความรู้สึกหรือปฏิกิริยาจากใจเราถามเรื่องอากาศแต่ไปไปไปพูดถึงความรู้สึกของเรา เวลาหลงมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะเวลาที่เราปล่อยให้ตัวตนตัวกูมาเป็นใหญ่เวลาเราหลงความรู้สึกตัวไม่มีเนี่ยตัวกูมันจะเกิดขึ้นมาเป็นใหญ่มันก็จะแสดงอำนาจว่าชอบไม่ชอบมันจะไม่ยอมมองอะไรตามที่เป็นจริงแต่มันจะเอาตัวมันเองเป็นใหญ่ถึงแม้ไม่พูดออกมาแต่ใจมันก็ออกอันนี้มันเป็นเพราะตัวอัตตาตัวตนเนี่ยมันมันเข้าไปมันจะคอยแทรกตลอดเวลา เวลามีคนพูดตำหนิหรือว่าติดเตียนงานของเราสิ่งที่เราทำถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวมันก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาว่าทำไมว่ากูทำไมมาตำหนิกนะูตัวกูนี่มันจะเข้ามาเป็นพระเอกมาเป็นตัวการแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูไม่แสดงอาการออกมาตัวกูไม่ปรากฏ มันก็จะมองอีกแบบนึงว่าเขาวิจารณ์ก็จะถามว่าเออสิ่งที่เ็าพูดมานั้นจริงไหมจะไม่เกิดความคิดในใจหรือความรู้สึกในใจว่าเขาว่ากูแล้วมึงดีแค่ไหนมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาแบบนั้นมันจะไม่มีคำว่ามึงหรือกูแต่จะมีว่าเออที่พูดมานี่มันถูกต้องไหมจริงไหมจะสแสวงหาข้อเท็จจริงแทนจะค้นคว้าหาข้อเท็จจริงว่าความจริงเป็นอย่างไร นี่เรียกว่ามีธรรมาธิปไตยคือเอาความถูกต้องเป็นหลักสิ่งที่จะถามก็คือว่ามันถูกไหมมันถูกหรือไม่ถูกหรือแ ม, อม้แต่เขาชมเราก็จะไม่เพลิดเพลินยินดีว่าเออเขาชมกูกูเก่งกูแน่ไม่ใช่แต่ก็จะดูว่าเออที่เขาพูดนี่จริงไหมถ้าเขาพูดไม่จริงก็จะไปเพลิดเพลินมากเพราะเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่จริงแต่ถ้าเกิดว่าหรือแม้จตจริงเราก็รู้ว่ามันจริงของเขา แต่ว่าคนหน่งอาจจะไม่จริงด้วยคนที่ชมแต่คนนึงอาจจะด่าก็ได้มันจะไม่ปล่อยให้ตัวตนนี้เข้ามาสวยมาเสพหรือมามีปฏิกิริยากับความตำหนิหรือคำชมอันนี้เพราะมีความรู้สึกตัวมีสติแต่ถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่นี่มันความรู้สึกตัวหายไปเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตัวกูของกูก็จะขึ้นมามันว่ากูมันว่ากูหรือจะมองอะไรก็จะมองแต่ เรียกร้องคนอื <reco Christ. S 1> <re> ่นเขาว่าทำไมเขาไม่เข้าใจฉันทำไมเขาว่าฉันทำไมเขาไม่เข้าใจฉันแต่ว่าตัวกูมันจะไม่เคยถามเลยว่าหรือมีการทักท้วงเลยว่าแล้วเราอะแล้วตัวฉันล่ะเข้าใจเขาหรือเปล่ามันจะไม่มองแบบนั้นเลยแต่มันจะเรียกร้องยตลอดเวลาว่าเขาไม่เข้าใจฉันเขาเอาเปรียบฉันแต่ไม่เคยมองว่าแล้วฉันไปเอาเปรียบเขาบ้างหรือเปล่า นะหรือว่าชั้นเข้าใจเข้ามากแค่ไหนในตัวกูนี่มันจะเรียกร้องตลอดเวลาเพราะว่ามันจะเป็นนิสัยช่างบนแล้วก็เป็นนิสัยช่างตาหนิจะคอยตาหนิอยู่เรื่อยเพราะว่ายิ้งตาหนิใครมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าตัวกูนี่เก่งตัวกูนี่จับผิดได้เราตาหนิใครก็หมายความว่าเรานี่ดีกว่าเขาหรือว่าเรานี้แน่กว่าเขาหรือว่าเราเก่งนะฉลาดจับผิดได้ ทั้งหมดนี้มันก็ไปปนเปื้อตัวกูทั้งนั้นแต่ที่ผูดมาอ่างนี้ทั้งหมดนี้ก็ให้เราลึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่มีจริงนะมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราปรุงแต่งแต่มันไอจิตนี่แหละที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันเกิดจากกระแสะการปรุงแต่งของจิตและเพราะว่ามันเป็นการปรุงแต่งนั่นแหละมันถึงทําอะไรแปลกๆได้อ่ยังมีบางคนเนี่ยนะเขาเนี่ยจะมี2คนอยู่ในตัวคนเดียวกัน หรือจะเรียกว่ามี2ตัวตนอยู่ในคนเดียวกันก็ได้อันนี้เราจะได้ยินได้ฟังบ่อยอย่างเช่นในภาวะปกติเขาอาจจะเป็นคนธรรมดาเรียบร้อยสุภาพแต่พอเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนถ้ามองแบบชาวบ้านเราเหมือนกับผีเข้านะจะกลายเกลี้ยงเอะเอยวายดาทอที่เคยเรียบร้อยพูดกับพ่อแม่เพราะๆก็จะดาทอแม่เสเสรหายทําตัวเหมือนกับเป็นคนละคนเหมือนกับคนระบุคลิก บางคนนี่เหมือนกับตั้งชื่อตัวตนของทั้งสองตัวนี้เป็นชื่อคนละอันกันบางทีก็เวลาที่เป็นปกติก็เป็นคนเรียบร้อยอาจจะเสียงเบาๆนะไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแต่พออีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมานี้มันกลายเป็นตัวที่ ก, กรัดเกลียวนะมั่นใจตัวเองรุนแรงบางคนก็ใช้วิธีสะกดกจิตก็ไอ้ตัวตนนี้ก็โผล่มาแต่ว่าสตัวตนในคนเดียวกันนี่ยังถือธรรมดานะ มีบางรายนี่มีมากกว่า10ตัวตนในคนเดียวกันอย่างเมื่อเร็วๆนี้เขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุสามเริ่มมาหาหมอเพราะว่าเครียดอยากจะฆ่าตัวตายตั้งแต่อายุสิปีตลอดเวลาที่17บเที่หาหมอเนี่ยกว่าหมอนี่เจอความลึกลับของคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆตัวผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อ k ค r e เรนคุยไปพูดไปพบมารากว่าเขาเนี่ยมี17บบุ ค, คลิกในคนเดียวกัน แล้วแต่บุ ค, คลิกหรือแต่ละตัวตนนั่นก็มีชื่อต่างๆกันบางคนก็เป็นเด็กตัวเล็กๆ78ขวบบางคนก็เป็นผู้หญิงบางคนก็เป็นผู้ชายและยิ่งสืบสาวแบบพบ ว, ว่าอ๋อสาเหตุก็คือว่าเขาเนี่ยถูกทำมีดีมีรักโดยพ่อและขนาดมีลูก2คนเขายังจําไม่ได้แล้วตัวแคเรนเนี่ยจำไม่ได้เลยว่าพ่อทําอะไรเขาบ้งางทางนั้นที่มีลูก2คนแล้วอันนี้มันเป็นวิธีการนะวิธีการของจิตจิตมันนี่มันซับซ้อนมาก ถ้ามันไม่ชอบตัวตนเดิมหรือมันทนอยู่กับตัวตนเดิมไม่ได้มันก็หาตัวตนใหม่ขึ้นมาสำหรับบางคนทำได้อย่างเด็กที่พูดว่านี่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยแต่ว่าลึกๆเนี่ยเกียดพ่อเกียดแม่ที่บังคับตัวเองแต่ว่าจะด่าพ่อด่าแม่หรือจะเถียงพ่อเถียงแม่ก็ทำไม่ได้มันก็มีทางออกคือสร้างตัวตนใหม่เป็นตัวตวที่กล้า พอตัวตนตรงนี้เกิดขึ้นเอาละดาพ่อดาม่ได้เต็มที่เลยไม่รู้สึกผิดมันได้ระบายแล้วทำอะไรก็ทำตามใจได้พอทำไปสักพักก็กลับมาเป็นตัวตนเดิมมันก็มีคำถามว่าแล้วหลายตัวตนจะอยู่ในคนเดียวกันได้ยังไงมันก็อยู่ได้เพราะมันเป็นสมมุติมันเป็นการปรุงแต่งถ้าตัวตนไม่อยู่จริงก็ต้องมีตัวตนเดียวมันจะมีหลายตัวตนได้ยังไงแต่ทั้งหมดนี้มันเพราะว่ามันเป็นเสื่องสมมติ นะสมมุติขึ้นมาสมมุติว่าเป็นแครเรนบ้างสมมุติว่าเป็นเซตหนี่บ้างสมมุติว่าเป็นไม้บ้างสุดแท้แต่ว่าเหตุปัจจัยจะเป็นยังไงแล้วมันก็เชื่อจริงๆนะเวลาเป็นเซตหนี่ก็เป็นเชื่อโดยมีเซิหนี่จริงๆมีประวัติต่างๆพร้อมปุงแต่งเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาว่าตัวเองอายุเท่าไหร่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วมันก็เชื่อจริงๆด้วยแต่นี่คือวิธีการที่จิตเนี่ยมันจะหลบมันจะหนีทุกแต่เป็นการหนีทุกแบบ แบบปุทุชนนะไม่ใช่เป็นการหนีทุกแบบคนที่เข้าใจโลกนะเพราะถ้าเข้าใจโลกจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีตัวตนอะไรเลยแม้แต่น้อยอันนี้มันก็มีอะไรแปลกๆอยู่ยมากนะที่พูดมานี้เป็นตัวอย่างคนซึ่งมีหลายตัวตนแล้วก็แสดงตัวตนต่างๆกันในต่างเวลาแต่มันมีบางคนนะมีสองตัวตนในเวลาเดียวกันเลยนะอันนี้มันเป็นถ้าเล่าหน่อยก็ดีจะได้รู้ว่า โลกทางจิตนี่มันมันมีอะไรแปลกๆเยอะมีคนนึ่งเนี่ยเขามีปัญหาทางสมองคือสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาของเขาเนี่ยมันถูกตัดคือปกติสมองทั้งสองซีกเนี่ยมันจะเชื่อมเชื่อมกันแล้วมันก็จะแบ่งข้อมูลกันแต่ว่าเพราคนนี้เนี่ยเขาผ่าตัดมีปัญหาแล้วก็เลยสมองซีกซ้ายกับซีกขวาเลยไม่ต่อกันอันนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าสมอง2อซีกนี่มันทํางานไม่เหมือนกัน แลสมองซีกซ้ายนี่มันจะเห็นภาพด้านขวาสมองซีกขวาจะเห็นภาพด้านซ้ายแล้วคนนี้เนี่ยนะถ้าให้ให้ฉายภาพเนี่ยบนจอภาพที่ปรากฏด้านขวาเนี่ยสมองซีกซ้ายจะเห็นและสมองซีกน um, ี H ้ม e ันพูดได้มันก็จะบอกว่าเออเห็นไก่แต่ถ้าฉายภาพมาทางด้านซีกซ้ายนะไอ้สมองซีกซ้ายจะไม่เห็นแล้วมันก็บอกไม่ได้ว่าคืออะไร มันไม่เห็นเลยนะภาพอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยไอ้สมองซีกซ้ายจะมองไม่เห็นตาซ้ายเนี่ยมันรับภาพแล้วแต่มันไม่เห็นอะไรแต่ปรากฏว่าสมองซีกขวามันเห็นเช่นฉายภาพบ้านเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยสมองซีกขวาจะเห็ น, น, น, ห น, น, หนแต่พอถามว่าเห็นอะไรมันตอบไม่ได้เพราะสมองซีกขวาเนี่ยพูดไม่ได้การพูดมันอยู่ที่สมองซีกซ้ายอ่าแล้วงั้นคนถามนี่เขารู้ได้ไงว่าไอ้คนนี้เนี่ย มันเห็นด้วยสมองซีดขวาเขาก็ให้บอกว่าให้เลือกของก็ได้ให้เลือกของที่อยู่ในมือที่มันมันบอกบอกว่าเป็นภาพที่เห็นคนนี้เขาสมองซีดขวาก<ๆ> <oman> ็เห็นเห็นรูปบ้านใช่ไหมเขาก็จะหยิบภาพบ้านมาให้ดูสมองซีดขวามันพูดไม่ได้แต่มันบังคับมือซ้ายได้สมองซีดขวาบังคับมือซ้ายมือซ้ายก็หยิบหยิบภาพบ้านมาให้ดูก็รู้ว่าคนนี้เห็น เห็นภาพทางด้านซ้ายมือ <inches> ด in <the head> ้วยสมองซีกขวาแต่สมองซีกซ้ายไม่เห็นดูมันจะงงๆนะแต่ว่ามันยังมีงงมากกว่านี้คนเนี่ยเห็นภาพสมองซีกซ้ายนี่เห็นภาพไก่ขวามือแต่ไม่เห็นภาพซ้ายที่เป็นภาพบ้านแต่สมองซีกขวามันเห็นภาพบ้านแต่มันพูดไม่ได้แต่มันหยิบหยิบของที่บอกหยิบภาพที่เป็นบ้านให้ดูได้ว่าเนี่ยฉันเห็นอะไรหยิบด้วยมือซ้าย ว่าสมองซีกซ้ายมันคุมอวัยวะด้านซ้ายคราวนี้เขาใช้วิธีฉายภาพสองภาพพร้อมกันเลยข้างขวาภาพด้านขวาเป็นภาพไก่ภาพด้านซ้ายเป็นภาพบ้านแล้วเขาก็ให้ให้มือซ้ายและมือขวานี่หยิบภาพหรือหยิบวัตถุที่เกี่ยวข้องหยิบวัตถุที่เกี่ยวข้องที่เหมือนกับภาพนั้นไอ้สมองซีกซ้ายเนี่ยมันเห็นภาพไก่มันก็ใช้มือขวาเนี่ย หยิบตัวตุ๊กตาที่เป็นไก่ขึ้นมาอันนี้ถูกไอ้สมองซีดขวานเนี่ยมันเห็นภาพบ้านมันก็ใช้มือซ้ายเนี่ยหยิบค้อนขึ้นมาเพราะคอนกับบ้านเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันก็เป็นนั้นว่ามือขวานนะถือภาพไก่มือซ้ายถือคอนคราวนี้ถามนะคราวนี้เขาาถามแล้วว่าทำไมถึงหยิบ2 อ, อย่างนี้ขึ้นมาทำไมถึงหยิบไก่ หยิบภาพไก่ไอ้สมองซีกซ้ายมันตอบได้ไงก็เห็นภาพไก่แล้วก็ถามว่าแล้วทำไมหยิบคอนนะไอ้สมองซีกซ้ายมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมือซ้ายหยิบคอนนะแต่ว่ามือซ้ายนี่มันถูกสั่งโดยสมองซีกขวาซึ่งเห็นภาพบ้านแต่สมองซีกขวาพูดไม่ได้ไอ้สมองซีกซ้ายมันเห็นมือซ้ายถือคอนมันก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่มันก็เลยอ้างไปน้ําคุ้นๆแล้วก็ไก่นี่มันมันอยู่ป่าไม่ก็ต้องทําคอกให้มันก็เลยต้องมีคอน มันพูดเดาสุ่มไปเลยนะไอ้สมองซีกซ้ายเนี่ยอันนี้เขาต้องการที้เห็นว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีสองคนในร่างเดียวกันแล้วก็ร่างหนึ่งอยู่ในสมองซีกซ้ายร่า ง, งอยู่ในสมองซีกขวานะสมองซีกขวาสั่งให้มือนี่มือซ้ายยกมือซ้ายหยิบคอนแต่สมองซีกซ้ายมันไม่รู้ว่าหยิบค้อนทําไมเพราะมันไม่เห็นมันไม่เห็นภาพบ้านมันก็เลยอธิบายไปคุ้นๆว่าเอาค้อนมาเพื่อที่จะ ทำกรงใส่ไก่อันนี้เขารู้เรื่องนี้เพราะว่าเจอคนไข้แบบนี้ที่ประหลาดแต่ว่ามันก็ชี้เห็นเลยว่ากรณีคนคนนี้เนี่ยซึ่งเขามีสองตัวตนอยู่ในคนเดียวกันเนี่ยนะมันเป็นไปได้ยากที่ถ้ามีตัวตนจริงๆเนี่ยมันจะมีสองตัวตนอยู่ในร่างเดียวกันได้อย่างไรเพราะว่าถ้ามีตัวตนจริงๆก็ต้องมีตัวตนเดียวแต่นี่มี2ตัวตนอยู่ในร่างเดียวกัน ตัวตนหนึ่งไม่รู้อะไรไม่ไม่รู้ว่าทำไมตัวตนที่อยู่สมองซีซ้ายไม่รู้ว่าทำไมไอ้มือซ้ายมันหยิบมันหยิบคอยขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งมันก็ทำให้ฝรั่งเองเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้ตัวตนนี้มันที่เขาเชื่อมันมีจริงมันมีจริงแน่หรือเปล่าเพราะเจอเหตุการณ์แบบนี้มากๆเขามันก็ก็ทำให้งงเหมือนกันแล้วนี่เคยพสทําไมเดี๋ยวนี้ฝรั่งเริ่มสนใจพุทธศาสนา เพราะว่าพุทธศาสนาพูดไว้นานแล้วว่าตัวตนนี้มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเมื่อมันปรุงแต่งแล้วนี่มันจะมีกี่ตัวตนมันก็ปรุงได้ทั้งนั้นหรือมันจะมีสองตัวตนในเวลาเดียวกันมันก็ทําได้แต่ทั้งหมดนี้มันก็ก็เป็นเรื่องที่เขาอาศัยการทดลองแต่ว่าในชีวิตจริงหนึงคนละมก็พบได้ว่าคนละนีมันเปลี่ยนความยึดมั่นสําคัญหมายเป็นนั่นเป็นนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเวลาเราอยู่ที่นี่ แล้วก็เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นลูกศิษย์แต่เวลาไปเจอลูกความเป็นแม่ก็เข้ามาแทนที่เวลาไปเจอเจ้านายความเป็นลูกน้องก็เข้ามาแทนที่ความเป็นแม่ก็หายไปให้ความเป็นนั่นเป็นนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เลยตามสถานการณ์หรือว่าตามเงื่อนไขแวดล้อมให้ความเป็นนั่นเป็นนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นการปรุงแต่งแบบหนึ่งนะมันไม่ใช่เป็นจริงเรียกเป็นอัสมิมานะ มันเราเป็นอะไรได้หลายหอย่างในเวลาเดียวกันหรือว่าในเวลาที่ไล่เรียกกันถ้าเราไม่รู้ถ้าเราหลงเมื่อไหร่นะเราก็จะไปยึดติดถือมั่นแล้วเราก็จะเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้เป็นแม่ก็ทุกข์เพราะความเป็นแม่เป็นนักปฏิบัติก็ทุกข์เพราะความเป็นนักปฏิบัติเป็นลูกน้องก็ทุกข์เพราะความเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายก็ทุกข์เพราะความเป็นเจ้านายเพราะมันมีอุปทานอยู่มันมีกิเลสแฝงอยู่ว่านักปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นคนดีเรียบร้อยบ่าแม่นี่ก็ต้อง นะได้รับความเคารพจากลูกถ้ารู้ไม่เคารพแม่ก็ทุกเป็นลูกน้องก็ต้องการความยกย่องจากเจ้านายแต่เป็นเจ้านายก็ต้องการความพักดีจากลูกน้องแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นก็ทุกแล้วถ้าแบกเอาความทุกเหล่านี้ไปมันก็ทุกสารพัดนะมี10อย่างก็ทุกสิอย่างนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะนะที่จะรู้ว่านี่มันสมมติแล้วก็รู้ว่า อย่าไปเหลืงกับมันอย่าไปเพลินกับมันเพราะว่ามันก็ทําให้เราทุกข์ได้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นหลักนะเือจะไม่ให้เราเข้าไปในความหลงความรู้สึกตัวอย่างเดียวมันไม่มีความรู้สึกเป็นนั่นเป็นนี้ทั้งสิ้นมีแต่ความรู้สึกตัวแต่ว่าความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันต้องทําให้ต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันก็ความเป็นตัวกูก็จะมีอยู่เรื่อยๆ มีความสึกตัวเมื่อไหร่มันก็ว่างจากตัวตนก็เป็นจิตว่างได้จิตว่างคือว่างจากตัวตนไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรเลยว่างจากความพิถีในตัวตน